คนต่างจังหวัดอากาศมันสดชื่นอยู่ตรงนี้ดูสิออกซิเจนเยอะเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมานะน้ำค้างกลั่นตัวหยดจากชายคาเกาะอยู่ตามใบไม้พลาวหมอกลอยอ้อยอิงอยู่บนภูเขา <c oughs> นกนะร้องกันแซดเลยละงมเลยนานาชนิดเลยเชา้ชาเช้าแมลงพึ่งอะไรนะออกมาอยู่กับธรรมชาติสบายธรรมชาติไม่เป็นพิษเป็นภัยอยู่กับคนนะเป็นพิษเป็นภัยนะคนยุ่งรู้จักคนไหม ไม่เคยนิ่งเลยหมุนติ้วต้วติ้วตลอดเลยอะไรหมุนวัตตะหมุนติ้วอยู่ในใจตลอดเวลาเลยเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกปรุงดีก็หลงดีปรุงชั่วก็หลงกับชั่วปรุงสุขก็หลงกับสุขปรุงทุกก็หลงกับทุกอีกมีแต่หลงจิตก็ปรุงไปคนก็หลงไป ออกจากวัดตะไม่ได้สะทีออกจากวงจรอุบาท้ไม่ได้สะทีอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะนะมารู้เท่าทันจิตใจความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้ทันใจไม่จะพ้นจากความปรุงแต่งนั้นนั้นมันหลอกเราไม่ได้กิเลสตัวไหนที่เรารู้จักแล้วนะอย่างแจ่มแจ้งแล้วนะจะหลอกเราไม่ได้อีกตัวไหนที่เรายังไม่รู้จักมันหลอกเอาหลอกเอา รู้จักครึ่งครึ่งกลางๆ ก, ก็ยังหลอกได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างพวกเราเนี่ยรู้จักราคาโทสะโมหะแต่รู้จักยังไม่ท่องแท้หรอกรู้จักครึ่องครึ่งดังกลา ง, ลางบางทีเราก็สู้มันได้บางทีก็แพ้มันรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดนะั่นคือความไม่รู้คือตัวอวิชชาอัศจรรย์ที่สุดเลยธรรมะของพระเจ้าเนี่ อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจว์่ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรเป็นนิโรธไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคไม่รู้หน้าที่ต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคไม่รู้รูปนามในอดีตในอนาคตในอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท เรียกว่าอาวิชชาอันแรกเลยไม่รู้ทุกข์พวกเรารู้ทุกข์ไหมอะไรคือทุกข์ถ้าเราตอบว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์นั่นเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์สิ่งที่ทุกข์จริงๆคือรูปนามนี่เองที่มาประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองเห็นไหมแค่ทุกข์เราก็ไม่รู้จักละ ต้องอาศัยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุกข์งั้นสิ่งที่เรียกว่าทุก็คือรูปกับนามที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียกรูปเรียกนามบางทีพวกเราฟังแล้วกลุ้มใจรู้สึกเข้าใจยากเลียให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็ได้รูปธรรมและนามมาธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา อย่นี้ฟังเราเรื่ืนหูขึ้นไหมรูปธรรมรู้จักไหมนมามธรรมรู้จักไหมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราตัวนี้แหละคือตัวทุกข์เพราะไม่เห็นทุกข์นะเราก็หลงรักรูปธรรมนามธรรมนี้หลงรักกายหลงรักใจนี้ยึดถือห่วงแหนเหนีนยวแน่นมากพอร่างกายแก่แล้วทุกข์สิพร่างกายเจ็บก็ทุกข์มันเป็นเราทุกข์ ร่างกายตายก็ทุกข์เพราะมันเป็นเราตายนะเราก็าทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์นั่นเป็นอาการทางใจใครเป็นคนพลัดพรากร่างกายไม่ได้พลัดพรากหรอกมันพลัดพรากกันที่ใจบางคนอย่างคนโกรธกันนะ ไม่สนใจกันนะอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ใกล้หรอกบางคนอยู่กับพ่อแม่มีพ่อมีแม่อยู่ทํางานคนละจังหวัดเรารู้สึกแม้พลัดพรากพอพ่อแม่ตายไปจริงๆนะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะกับรู้สึกใกล้ชิดเมือพ่อแม่อยู่กับเราทุกวันเลยไม่เคยหายไปไหนเลยนะ เรืความที่จะอยู่ด้วยกันหรือพลัดพรากจากกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทางใจคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนพลัดพรากกันกันได้คนอยู่ห่างกันกระทั่งคนละโลกเนี่ยยังรู้สึกใกล้ชิดกันได้หลวงพ่อก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนเรียนจากหลวงปู่ดุลท่ตอนที่หลวงปู่ดุลย์ยังอยู่นะรู้สึกท่านอยู่สุรินพอท่านสิ้นนะรู้สึกท่านอยู่ในใจเราไปไหนไปด้วยกัน เวลาจะทําอะไรนะเหมือนหลวงปู่สอนตลอดเลยอันนี้ควรทํานี้ไม่ควรทํำเหมือนท่านสอนตลอดเลยเหมือนพวกเรานะบางทีอย่างเรารักพ่อรักแม่นะพ่อแม่เราตายเหมือนพ่อแม่อยู่กับเราเราจะทําอย่างนี้เรารู้สึกเลยว่าทําอย่างนี้พ่อแม่เราไม่ชอบทําอย่างนี้พ่อแม่เราชอบนะเหมือนอยู่ด้วยกันเลยนะคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลา งั้ความพลัดพรากอะไรด้วยนะหรือการอยู่ร่วมอะไรอยนี้นอยู่ที่ใจเป็นหลักแต่ถ้าเราเห็นนะมันเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องความรู้สึกที่ใจมันปรุงต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะพลัดพรากจะสมหวังะจะไม่ได้อย่างที่หวังอย่างที่อยากใจมันเป็ น, ปนกลางใจมันไม่เป็นทุกอะไรนะ ใช่มันยอมรับได้มันก็เห็นแค่ว่าเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วว่าหายไปเมื่อเรารู้ความจริงว่าขันห้ารูปนามกายใจนะเป็นตัวทุกข์ตัวนี้รู้ยากมากนะกว่าจะรู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุก์ไดนะ้ต้องพระนกคากว่าจะรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกได้ต้องถึงพระอรหันตนะ์ล พอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นั้จิตสลัดคืนจิตให้โลกเป็นพระละหันเห็นกายเป็นตัวทุกข์นั้สลัดคืนกายให้โลกเป็นพระนักขาได้อย่างพวกเราจะไม่เห็นหรอกพวกเรารู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์ไหมหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไงรู้สึกเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเใช่ไหมแม้เราไม่ได้รู้ทุกข์อะ ถ้ารู้ทุกจริงเราจะรู้สึกเลยร่างกายนี้เป็นทุกขล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาทุกข์น้อยเนี่ยคนข่าวเขาคิดว่ามีความสุขผู้รู้ไม่รู้สึกว่ามีความสุขหรอกรู้แต่ว่าทุกข์มันน้อยลงสุขทุกข์เนี่ยเป็นตัวสัมผัสนะเป็นความรู้สึกที่เปรียบเทียบขึ้นมานะอย่างคนหนึ่งทุกวันต้องถูกชก10ครั้งสิบนะกำปั้น วันนี้เขาลดเหลือ9้ามีความสุขแล้วถูกชกตั้งเก้าทีก็ยังมีความสุขอีกวันเหลือ8ดนี่มีความสุขกว่าเก่าอีกอีกวันมันขึ้นมาเป็น9ก้าอุ้ยทุกมากกว่าตอนถูกชกสิบครั้งอีกเราไม่เห็นว่ามีแต่ทุกข์เราเลยเห็นว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยไม่พ้นจากการยึดถือในกายในใจนี้เพราะเราเห็นว่าร่างกายนี่ยังมีช้อยมีทางเลือกที่จะมีความสุข เราก็เลยดิ้นรนอยากได้ความสุขนะเราก็ดิ้นรนสแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยากจะพ้นทุกข์มีความดิ้นรนเกิดขึ้นจิตใจนี้ก็เหมหือนกันเราไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกข์ล้ น, วน้วนเราก็อยากให้จิตเป็นสุขอยากให้จิตพ้นทุกข์เรื่องมีความอยากเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะว่าไม่รู้ทุกข์นั่นแหละสมุทัยคือความอยากถึงได้เกิดขึ้นนะเพราะไม่รู้ทุกข์ อย่างเราไม่รู้จริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราคิดว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างใจก็อยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์เราเห็นว่าจิตใจเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็อยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์แบบเดียวกันก็ดิ้นรนยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปอีกทุกข์ซําซ้อนวันใดที่เห็นความจริงของทุกข์แจ่มแจ้ง รู้เลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายไม่ทุกข์จะไม่มีความอยากให้กายเป็นสุขจะไม่มีนะอยากให้กายพ้นทุกข์จะอยากมันทำไมมันไร้เดียงสามันพ้นไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้กายเป็นสุขที่ยิ่งไร้เดียงสาใหญ่เลยมันเป็นสุขไม่ได้หรอกมันเป็นตัวทุกข์งั้นถ้าเห็นทุกข์ทีเดียวนะความอยากจะหมดเลย พระเจ้าถึงสอนว่าเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทยัยละความอยากนะเมื่อไรปราศจากความอยากเมื่อนั้นแหละพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากเห็นไมการรู้ทุกข์การละสมุทยัยการแจ้งนิโรธนะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลย รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ลาสมูไทยเมื่อนั้นลาสมูไทยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธแจ้งนิพพานเมื่อนั้นมีสมูไทยขึ้นมานะก็ไม่แจ้งนิพพานเพราะนิพพานไม่มีตัณหาในขณะที่รู้ทุกข์ในขณะที่ลาสมูไทยในขณะที่แจ้งนิโรธพร้อมๆกันนั้นนั่นแหละคือขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นเหราะนั้นการรู้ทุกข์การลาสมูไทยการแจ้งนิโรธการเจริญมรรคนั้น เกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะนะจิตตั้งสี่อย่างของอริยสัจตั้งสข้อทำเสร็จในขณะจิตเดียวในทีเดียวเลยแปบ๊บเดียวเลยขาดแล้วขาดเลยไม่กลับมาต้องทำอีกแล้วนะั่นอยู่ที่ว่าเราสามารถรู้ทุกได้จริงไหมรู้ทุกอะไรคือทุกบอกแล้วว่ารูปนามกายใจนี้คือทุก เราอยากรู้ความจริงของรูปนามกายใจเราก็ต้องดูรูปนามกายใจบ่อยๆให้รู้มันให้ดูมันเข้าไปดูให้เห็นความจริงของมันไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่ารูปนามเป็นทุกข์นะถ้าคิดเอาเองไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นของจริงรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจเรื่อยๆไปพอรู้สึกไปรู้สึกไปแล้วมันปัญญามันเกิดมันเห็นนะกายนทุกล้วนๆใจนทุกล้วนๆเห็นเอง งั้นนอกจากการรู้ทุกแล้วหลวงพ่อไม่เห็นว่าจะมีทางพ้นทุก์ที่ไหนเลยครูบาอาจารย์ถึงสอนมาต่อกันมาว่าเพราะรู้ทุกนะรู้จักทุกถึงจะรู้จักธรำรถ้าไม่รู้ทุกก็ไม่รู้ทำทำคืออะไรทำก็คือสภาวะที่พ้นทุกคือพระนิพพานนั่นเองอยากรู้ทุกอยากได้อยากถึงพระนิพพานก็ต้องรู้ทุกเอา คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใ จ, กใจดูอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นไม่แทรกแซงพวกเรานักปฏิบัตินะคือนักแทรกแซงตัวหนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยนักปฏิบัติเนี่ยตัวร้ายเลยแทรกแซงเก่งเอาต่อไปนี้ให้ทุกคนนั่งสมาธิทำไมต้องขยับลนะ่ะนั่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ทำไมต้องอท่านี้เหรอถึงจะเรียกสมาธิรู้อย่างว่าสอนอะไรแทรกแสงแล้เห็นไหมเริ่มจากแทรกแสงร่างกายนั่งได้ที่แล้วถัดจากนั้นแทรกแสงจิตใจทำขลึมแล้วจะเหลือของจริงอะไรให้ดูกายก็ถูกแทรกแซงใจก็ถูกแทรกแสง หลงพ่อมองพวกเรานะมองด้วยความอินดูนะไม่ได้มองแบบเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนหรอกอ็นดูบางทีก็ร่าเริงนะร่าเริงเนะมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างเนี้ยลงมือปฏิบัติทีไรก็แทรกแสงทุกทีเลยนะกว่าจะเข้าใจนะว่าให้รู้นะไม่ได้ให้ทําคําว่ารู้เนี่ยยากที่สุดเลยบอกเอาทุกคนรู้สึกกายรู้สึกใจรู้ไป เอ๊เ ะ, ะเราจะทํารู้นี่จะทํำยังไงครับมันถึงจะรู้นะพูดถึงทำอีกแล้วบอกให้รู้ยังมาถามเรื่องทำอีกแล้วนะตื่นนอนมาจะทํำยังไงดีวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีคิดแต่คำว่าทำนะคิดจะปฏิบัติ ท, ทําทีไรก็คือดัดแปลงกายดัดแปลงใจทุกทีเลยนะปฏิบัติที่ไรก็ดัดแปลงกายดัดแปลงใจทุกทีเลยเมื่อกายถูกดัดแปลงหาของจริงไม่เห็นแนละ เมื่อจิตถูกดัดแปลงก็หาของจริงไม่เห็นแล้วันนิ่งๆทื่อๆว่างๆไปเฉยๆเพราะะั้นอย่าไปดัดแปลงกายอย่าไปดัดแปลงใจนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นทาไมเดินจงกรมต้องเดินกลับไปกลับมารู้ไหมสมัยแรกพระไม่ได้เดินจงกรมครูอาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องเดินจงกรมเลยหมอชีวกเป็นคนไปทูนพระพุทธเจ้า พระพระส่วนใหญ่นั่งมากระบบขับถ่ายไม่ดีนะขอให้พระเนี่ยเอ็กซเซอร์ไซส์พระเจ้าบอกเอ้ยพระ้จะเอ็กซ e เซอร์ไซส์ได้ไงนะจะลาไทยเก่ง ก, ก็ไม่งามนะนุ่งสะบงนี่ลำไัก็ไม่สวยหรอกใช่ทำอะไรก็ดูไม่งามหมอชีวกเลยบอกให้เดินเอ็ก c i เซอร์ไซส์งั้นเดินจงกรมเนี่ยมันมาจากการเดิน exercise นะเ อ, อ็ก c i เซอร์ไซส์นะเดิน แล้วทำไมต้องเดินกลับไปกลับมาเอา้าถ้าไม่เดินกลับไปกลับมาก็เดินเลยออกไปนอกวัดเลยสนะิก็มีเหตุผลอย่างนี้แหละแต่การเดินจงกรมก็คือไม่ใช่ไปเดินเพื่อเอ็กซ์เซอร์ไซส์เฉยๆนะไหนๆก็ต้องเอ็กเซอร์ไซส์แล้วนะก็ปฏิบัติทมไปด้วยเพราะการปฏิบัติทมไม่ใช่ต้องนั่งอย่างเดียวนะทุกๆอิริยาบถต้องปฏิบัติได้นะทุกอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอน ทำไปด้วยความรู้สึกตัวทำไปอย่างลูกมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นมิ่งขวัญไม่ใช่เดินแบบลืมเนื้อลืมตัวหรือบังคับตัวเองเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันไม่ใช่นั่งแบบลืมเนื้อลืมตัวหรือนั่งบังคับตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะไม่ใช่ทําแบบลืมตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทําแบบบังคับตัวเอง เมื่อไรลืมตัวเองก็เรียกว่าย่อหย่อนไปเป็นกรรมมาสุขาลิการุโยคเมื่อไรบังคับตัวเองก็ตึงเกินไปเป็นอัตตะกิลมะฐานุโยคหลุดออกจากทางสายกลางรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นถ้าเดินอยู่ในทางสายกลางง่ายๆนะยากหรอกคนฟังหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งนะฟังไม่เจอตัวนะฟังซีดีเดือนหนึ่งแยกรูปแยกนามได้เยอะแยะไป ฟังนิดเดียวนะแต่ว่ามันได้หลักสังเกตไม่หลวงพ่อไม่ค่อยสอนจริยธรรมนะจะสอนหลักของการปฏิบัติจริยธรรมพวกเรารู้มากจะตายไปอะไรถูกอะไรผิดเรารู้เท่านั้นแหละแต่เราไม่ทํารู้ทัวอย่างนะอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วรู้เท่านั้นแ่ะแต่ว่ามันสู้กิเลสไม่ไหวเพราะหลวงพ่อสอนหลักให้มันมารู้ทันกิเลสนะจิตใจเมื่อเข้าร้องเข้าร่อยจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นในเวลาไม่นานอก ไม่ต้องไปภาวนานะขั้นแรกเลยถือศีลห้าให้ได้ถือศีลห้าได้ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่มีศีลห้าก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในความหมายของพระพุทธเจ้านะมีศีลถึงจะเป็นมนุษย์ได้รักษาศีลห้าไว้เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้มนุษย์คือผู้มีใจสูงคนทําผิดศีลเป็นผู้มีใจต่าไม่ใช่มนุษย์ นะร่างกายเป็นคนแต่ไม่ไม่ใช่มนุษย์หรอกกระใจต่ําำถ้วเรารักษาศีลห้าไว้ให้ได้ศีลขาดบ้างด่างพลอยบ้างมันเรื่องปกติเพราะว่าสติของเรายังไม่บริบูรณ์อย่างเผลออย่างอะไรนี่กิเลสครอบงําได้ศีลดังพลอยได้นะดังพลอยแล้วก็ไม่เป็นไรอย่าไปเศร้าโศกตั้งอกตั้งใจรักษาเอาใหม่นะไม่ต้องไปขอศีลที่พระนะ เราตั้งใจรักษาเอาเองก็ได้แต่ว่าถ้ามีพิธีกรรมเ็ต้องขอศีลเลยก็ขอไปตามพิธีกรรมอันนั้นแค่พิธีกรรมถ้าเรานับปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจรักษาศีลของเราได้เลยไม่ต้องขอจากใครหรองรักษาศีลแล้วนะแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันอย่างน้อย15นาทีทุกวันต้องทาในรูปแบบการทาในรูปแบบเริ่มต้นจากไหว้พระสวดมนต์ ไม่ต้องส่วนยาวถยวหมดเวลา15นาทีส่วนนี้ิดหน่อยๆนะอะระหังสัมมานโมตัสสะอิติปิโสภควาสวักขาโตสุปฏิปันโนเอาเท่านี้ก็พอนะจะแถมแผ่ส่วนบุญนิดๆหน่อยๆก็เอานะบุญก็ไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ภาวนา <c oughs> มีบุญถือศีนอยู่นะสมมติ ว, ว่านั่งแล้วก็ผีมันกวนก็แผ่มันก่อนเลยแล้วบอกมันว่าอย่าเพิ่งกวนนะ เดี๋ยวขอเราทำภาวนาก่อนได้บุญแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้ไม่ต้องมารับเองเหนื่อยนะเนี๋ยส่งไปสเนีไปงนะั้นแต่บางคนไม่มีใครกวรนละ้วก็ภาวนาไปก่อนแล้วค่อยไปแผ่ส่วนบุญทีหลังนะถ้าคนไหนถูกลบกวนมากคล้ายๆโจทย์เยอะนะก็แผ่ไว้ก่อนกติดสินบ น, นไว้บอกเดี๋ยวใจเย็นๆอย่เยพิ่งมาหลอกนะ เดี๋ยวภาวนาก่อนแล้วได้บุญล้วจะให้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเห็นคนที่จะเห็นปีศาจทั้งหลายผีทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนี่ยถ้ามันจะเห็นนะภาวนาชั่วโมงแรกก็เห็นแล้วละแต่ถ้าเราภาวนามาตั้งหลายวันแล้วยังไม่เคยเห็นนะใจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะชาตินี้ไม่เห็นหรอกถ้ามันจะเห็นมันเห็นตั้งแต่ แ, ตแรกๆแล้วละ่ะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผีหรอกผีที่มาหลอกเรา มาหาเราตอนเราพาวนานนะคือญาติโกโหติกาของเรานี่แหละเขาเห็นเราเป็นเศรษฐีร่ํารวยมีรัศมีผ่องใสเขาก็มาหามาขอส่วนบุญงั้นไม่ต้องกลัวนะเริ่มต้นไหว้พร้าส่วนบนก่อนให้กําลังใจตัวเองก่อนนะถ้าถ้าจำเป็นก็แผ่ส่วนบุญก่อนถ้าไม่จําเป็นก็พาวนานพนานาทําอะไรบ้างถ้าใจฟุ้งซ่านทําความสงบ ถ้าใจสงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแล้วเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปนะทำได้ทุกอย่างเลยและแต่ว่าขณะนั้นวันนั้นนะพลังจิตของเราเป็นขนาดไหนถ้าเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเราวันนี้ฟุ้งซ่านมากเลยเดี๋ยวชอบคนคนี้เดี๋ยวเกลียดคนนี้เดี๋ยวรุนคนนั้นเดี๋ยวแช่งคนนี้อะไรอย่างนี้นะนะใจฟุ้งซ่านทำสมถะ ใจฟุ้งซ่านทำสมถะทำให้ใจสงบดูตัวเองว่าทำสมถะแบบไหนแล้วสบายใจพุโทโธแล้วสบายใจก็พุโทโธไปหายใจแล้วสบายใจหายใจไปนะดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบไปถ้าเราทำกรรมฐานที่เราสบายใจจิตจะสงบนี่คือเคล็ดลับของการทำสมถะนะอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์ถ้าเราเลือกอารมณ์ที่ถูกกัจจิินิสัยของเรา เราไปรู้อารมณ์มันนั้นแล้วมีความสุขจิตจะสงบอย่างรวดเร็วอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะใช้อนาปันสติหายใจออกหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบเร็วนะให้ไปทําอย่างอื่นไม่ค่อยสงบให้พิจารณากายอะไรเงี้ไม่ชอบเลยลาคาญนี่บางคนทําท่าใจมันฟุ้งมากแล้วก็หายใจไปหายใจอย่างเดียวยังไม่พอมันยังฟุ้งอีกก็แถมพุโทโธเขาด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเข้าไปด้วย ถ้ามันยังฟุง้องอีกก็แถมนับเลขด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งพุทธโทนับสองไปเงี้ยนะเพิ่มเชือกที่มามัดแต่อย่าให้เกินสามเส้นถ้ามากกว่านั้นจะเครียดแล้วนะคล้ายๆคนบ้านะถูกล็อกแบบใส่เสื้อแบบกระดิกไม่ได้นะนะเครียดเราดูจริตนิสัยของเราเองว่าเราจะเลือกสมถะแบบไหนคนขี้โมโหจเจริญเมตตาไป จเจริญเมตตานะอาจจะบริกรรมคาถาเกี่ยวกับเมตตาก็ได้บทบริกรรมเกี่ยวกับเมตตาสะเพสตตาอะไรบริกรรมงี้ก็ได้หรือเมตตันจะสัพพโล ก, กัตส밍 ม, มานะสัมภาวเวเยอปริมาณังก็ได้วันนี้ยังยาวอีก ก, mm hmm. ก็อย่างอื่นก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาไม่ต้องไปแปลแบบแบบคนเรียนบาลีนะ ด, ดูไวยากรณ์ไม่ต้อง เราเอามาบริกรรเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้จิตสงบเท่านั้นเองถูกพยากรหรือเปล่าไม่สำคัญหรอกนะเมตตาคุณังอรหังเมตตารเนะี่ยบริกรรเล่นๆไปใจก็จะเย็นนะสงบเย็นกระแสะของความเมตต า, าจะออกไปเองอย่างคนเราปกติจิตอยาขนานี้ให้แผ่เมตานะตาสัเพสัตอเนีนะจนะงเป็นสุขเป็นสุขโทษนะไม่มีเมตตาอะไรเลยนะแผ่โทสะออกไป ฉะนั้น้าขี้โมโหก็จเจริญเมตตาถ้าบ้า ก, กรรมบ้ า, บา ก, กรรมพิจารณาร่างกายนะถ้าอาฆาตมากร้ายมากวุ่นวายมากอะไรมากนะชีวิตนี่เครียดเหลือเกินนะพิจารณาความตายแตนะ่ทุกอย่างจบลงที่ตายเท่านั้นแหละกลุ้มใจแค่ไหนจบลงตรงนี้แหละนะให้พี่รณานะอย่าไปฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายไม่หายทุกนะพอตายปั๊บเนี่ยรับทุกต่อเลยแล้วทุกนานกว่าเก่าอีก อย่าเป็นคนอกหักนะปีสองปีก็หายและไม่อกหักแล้วอกหักแล้วฆ่าตัวตายนะั้นมันจะเศร้าอยู่กันนะนับภพบนับชาติไม่ถ้วนเลยแล้วจะเคยชินชาติต่อไปก็ไปฆ่าตัวตายอีกเพราะมันเคยชินหนีหนีปัญหาด้วยวิธีฆ่าตัวตายงั้นให้เราพิจารณาความตายนะแต่ไม่ได้ให้ไปฆ่าตัวตายหรือพิจารณาร่างกายก็ได้นะตัวร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเลือดเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วน ผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะหนังมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สะอาดมีความแปรปรวนอะไรเงี้ยเนี่ยคิดพิจารณาไปใจก็สงบได้ข่นะมรลักคะได้นะแล้วดูตัวเองว่าจะทํากรรมฐานอะไรนะให้ถูกกับจริตนิสัยเรานะแล้วก็ถูกใจด้วยทำแล้วมีความสุขจิตจะสงบอย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นคนฟุ้งมากก็หายใจเข้าหายใจออกไปใจก็สงบเข้ามานี่วันไหนมันสงบแล้วไม่ต้องมานั่งสงบต่อนานสงบแล้วก็รู้ทันจิตที่สงบอยู่แล้วค่อยรู้ทันจิตมันเคลื่อนจิตมันสงบจิตมันสบายแป๊บเดียวหนีไปคิดแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดอันนี้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตก็จะตั้งมั่นเห็นถ้าวันไหนมันฟุ้งนะทความสงบทาสมถะ ถ้ามันใจมันสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมัน่นโดยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเห็นกายมันนั่งอยู่เห็นกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเห็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจเป็นคนดนะูถ้าแยกได้แล้วก็เห็นแต่ละอันแต่ละอันนะมันแสดงใจลักนะร่างกายที่นั่งหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นเหมือนตัวอะไรมันมานั่งอยู่กระเพื่มกระเพื่มนะหายใจไป ไม่มีตัวมีตนไม่ใช่เรานะจิตใจเกิดขึ้นความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็เห็นเลยมันเป็นของไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปเป็นของบังคับไม่ไดนะ้สั่งก็ไม่ได้ควบคุมมันก็ไม่ได้เนี่ยเห็นซ้าๆไปนะนี่อยู่ในขั้นเจริญปัญญาลขั้นทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยทุกวันนะคำว่าทาในรูปแบบเนี่ยทาได้ทุกอย่างเลยนะ ตัแต่เบื้องต้นฟุ้งซ่านทําให้สงบสงบทําให้ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็เห็นธาตุขันธ์แสดงใจรักถัดจากนั้นไม่ต้องทําถัดจากนั้นถ้ามันพอแล้วนี่อริยมรรคอริยผลจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องทําให้มันเกิดขึ้นมันเกิดเองนี่คือการทําในรูปแบบนะควรจะทําทุกวันตั้งใจไว้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างน้อยสินาที ตั้งใจให้เด่นเดี่ยวนะจะเป็นจะตายต้องทำให้ได้ทำกลางคืนไม่ไหวทำมันตอนเช้าตอนเช้าไม่สะดวกทำมันกลางวันกินข้าวกลางวันแล้วมาทำสหน่อยนะ15นาทีเองพอทำไปแล้วต่อไปนะใจมันมีความสุขมีความสงบจิตใ จ, จเจริญขึ้นนะมันจะทำได้มากขึ้นตอนนี้บางคนทำได้ตั้ง3ามสี่ชั่วโมงขยันภาวนายิ่งภาวนายิ่งมีความสุข ยิ่งภาวนายิ่งเห็นความจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นโทษกห่างหายออกไปนี่ขยันใหญ่เริ่มตอ้นอย่าเริ่มเยอะเอาเริ่มนิดๆหน่นนอยๆนะแต่ว่าทำให้สม่ำเสมอใจจะมีกำลังค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นงนั้นงานที่เราต้องทำนะถือศีลหนะ้าทำในรูปแบบนะเวลาที่เหลืออย่าไปทิ้งเสียเวลาที่เหลือ ให้เจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตจริงๆของเรานี้แหละเจริญสติในชีวิตประจําวันทํำยังไงเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทัน เมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันงั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันนไม่ใช่ไปนั่งกำหนดนะเอาล้ยกขาซ้ายยกขากว่าอะไร น, น, ไนั่นได้แต่สมถะหรอกเสียไปล่ำเวลาเนี่ยตาหูจมูกลิ้กนกจใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ดไปถ้ารู้เข้ามาถึงความรู้สึกในใจได้ให้รู้อยู่ที่ใจ เพราะว่าจิตใจนี่เป็นตัวใหญ่เป็นประธานของธรรมทั้งปวงกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่เกิดที่กายหรอกเพราะฉะนั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตไปแต่วันไหนไม่มีแรงดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะงั้นเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนพอมันมีแรงแล้วมันจะกลับมาดูจิตได้ หรือกระทั่งดูกายก็ดูไม่ไหววันนี้ฟุ้งซ่านมากเลยอยู่ในชีพิตประจําวันเราฟุ้งซ่านมากเลยทําสมถะไปถ้ามีเวลานะอย่างเรานั่งรถไปถ้าเราไม่ต้องขับเองนั่งหายใจไปนั่งพุทโธไปอะไรไปให้ใจมันได้พักผ่อนนั้นหลักของการปฏิบัติก็คือถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําความสงบให้ก่อนนี่คือ ประการด่านสุดท้ายหลุดจากนี้ก็คือฟุ้งไปแล้วละ่ะไม่ได้เรื่องแล้วกิเลสครอบแล้วเนี่ฝึกอยูอย่างนี้นะทุกวันทุกวันไปความก้าวหน้ามันก็จะเกิดแล้วจะดียิ่งกว่านั้นอีกนะถ้าเราสร้างเงื่อนไขที่ดีสําหรับตัวเองเราถ้าเราเป็นคนมักน้อยนะพวกมกักมากเนี่ยพรวานายากฟุ้งซ่านมีความสันโดษ เราพอใจในปัจจุบันของเรานี้แนะมีความสุขมีความพอใจในปัจจุบันนี้แหละนี่ว่าสันโดษนะพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นอยู่นี่แหละมีความสันโดษหมายถึงว่าขยันทําเต็มที่นะทําเหตุขยันสมขยันทํางานเต็มที่เลยแต่ว่ากําไรหวังว่าจะได้ล้านหนึ่งมันได้มื่นหนึ่งอย่างนีก็มีความสันโดษพอใจแล้วละ่ะเนี่ยผลงานของเราพอใจในปัจจุบันนะร่างกายมันไม่สบาย พอใจแล้วล่ะเมื่อก่อนมันก็สบายมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่สบายบ้างนะมีความสุขอยู่กับมันนะพอใจสันโดษนะมีภรรยาแล้วดูหน้าตาเหี่ยวเฉานะก็พอใจแล้วน่อยอยู่กันมาตั้งนานจนเหี่ยวเต็มทีแล้วเราก็เหี่ยวเหมือนกันนะนี่ก็เรียกสันโดษนะสันโดษในคู่ของตัวเองสันโดษก็คือความพึงพอใจในสิ่งซึ่งมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แหละยอมรับมัน ถ้ายามรับไม่ได้ใจ่าวุ่นวายใจย่าฟุงา้งซ่านนะงั้นมักน้อยสันโดษนะเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือไม่ครุกคลียุ่งกับคนอื่นมากใจฟุง้งซ่านภาวนายากนะนี่เป็นเรื่องของเงื่อนไขเงื่อนไขสภาพแวดล้อมนะที่จะช่วยให้เราภาวนาได้ดีไม่ครุกคลีเช่นวันๆ น, น, นึงเอาแต่คุยกับคนทั้งวันทำกิจกรรมทั้งวันนะมันฟุง้งซ่าน ยกนี้มีไอ้ไลน์อ่ะเฟซบ o ๊กอะไรนะลายเล่นกันได้ทั้งวันนะ่ะเดี๋ยวก็ดังมาละติ้งกาลังนั่งพาวนาอีกนิดเดียจะบรรลุพระโสดาแล้วติ้งหมดเลยอีกปีหนึ่งนะไปรวมแรงมาใหม่แรงหมดนะงั้นอย่าไปเล่นมันมากนะถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเล่นเลยอินเอร์นอินเทอร์เน็ตบ้าบ้าบอๆนะครูบาอาจารย์นะห้ามมากในเรื่องเนี้ยล่้แล้วจิตเสีย แต่ถ้าจะไปดาวน์โหลดซีดีธรรมะหลวงพ่อให้ทำได้นะ <c oughs> จิตไม่เสียจิตดีนะ <c oughs> อะไรที่ทำแล้วจิตใ จ, จเจริญขึ้นเอานั่นแหละอะไรที่จิตใจเสื่อมลงอย่าไปเอามันนะ <c oughs> อย่าไปยุ่งกับคนอื่นมากดูของเราให้มากมักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียนคือเตือนตัวเองเรื่อยๆ เ, เ, เรามีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะอย่าละเลย พยายามรู้สึกตัวให้มากที่สุดดูกายดูใจให้มากที่สุดนะรักษาศีลให้ดีนะฝึ ก, กจิตให้ตั้งมั่นจเจริญปัญญานี่เป็นเงื่อไขที่ดีนะค่อยๆสะสมไปเป็นชั้นชั้นชั้นไปสุดท้ายก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นนะมันก็หลุดจนได้แหละมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะทาไดนะ้อยู่ที่ความอดทนนะอยู่ที่ความอดทน การปฏิบัติเนี้ยต้องอดทนมากเลยอดทนกับความน่าเบื่อเบื้องต้นอดทนจากความขี้เกียจก่อนขี้เกียจปฏิบัตินี่พอขยันปฏิบัติปฏิบัติทุกวันนะเห็นเหมือนกันทุกวันเลยตอนนี้ต้องอดทนต่อความเบื่อมันจะซ้ซซซําๆำซากซดูกาย้วดูอยู่อย่างเงี้ยดูมาตั้งสมปีแล้วก็ดูอยู่เห็นร่างกายมันทำงานเป็นไตรลักษนณะ์อะไรเงี้ยมันน่าเบื่อมาดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ ก็ต้องอดทนดูมันจนมันพอแหละจนมันวางนั่นแหละดูจิตดูใจก็ต้องอดทนดูมไปเรื่อยกี่ปีกี่ชาติก็ดูมไปเรื่อยอดทนข้าไว้ถ้าทำถูกแล้วก็ทนเขาไว้แล้วก็ขยันทำไม่นานหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็จะได้พระโสดานี่ลดระดับมากนะสมัยพุทธกาลท่านบอกได้พระอรหันต์หรือพระอนาคา ของเราเจปีได้โสดากรบุญนักหนาแล้วละ่นะเพราะกิเลสเรามันเยอะเหลือเกินสิ่งยั่วยวนของเราก็เยอะเหลือเกินคตรสมัยพุทธกาลโทรทัศน์ก็ไม่มีดูใช่ไหมหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีจะอ่านนะไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งเลยใจมันไม่มีอะไรจะวุ่นวายของเรานะึวันวันึงรับข่าวสารมหาศาลเลยข้อมูลมากมายเข้ามาสู่ตาสู่หูเนะข้าไปกระเทือนใจ ั้นเราก็สิ่งยั่ว ย, ว, ยวนเยอะเครื่องบำรุงความสุขมากมายทำให้เราอนะ่อนแองั้นถ้าพอวนานะชาตินี้ได้โสดาสกทาคาก็ดีแล้วละ่นะถ้าคนไหนบารมีแก่กล้าก็ได้มากกว่านั้นบารมีไม่แก่กล้าเอาโสดาก็พอนะอย่างต่ำต้องเป็นพระโสดานะไม่งั้นยังไม่ปลอดภัยยันะยงไปอาบายได้อีก พระโสดานะีท่านเห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเราอยากเป็นพระโสดาเราก็ดูในสิ่งที่พระโสดาเข้าใจดูกายดูใจไปเรื่อยๆนะรู้มไปเรื่อยใน ว, วันหนึ่งก็เป็นเองแหละจิต ย, ยังไม่ค่อยตั้งมั่นล่ะคะ่ะตอนนี้เหมือนกับพยายามกดกดข่มคือเหมือนพยายามกดตัวเองไวค้ค่ะกดถึงไม่ได้ทําให้ตั้งมั่น <c oughs> กดทําให้เครียด เพราะฉั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นมันหนีแฉลบซ้ายแฉลับขวารู้ว่ามันหนีไปเดี๋ยวมันตั้งเองอย่าไปกดกดไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาค่ะเมื่อวานก็เลยพยายามใช้วิธีการเดินจงกรมเพื่อเพื่อให้รู้รู้สติแต่ก็เหมือนกับใจก็ยังมีฟุ้งๆอยู่ค่ะ ก, ก็เลยเหมือนพยายามเพ่งเพ่งอีกนิดนึงเลยไม่แน่ใจว่ามากไป<า>อย่าใจร้อน<า>เดินไปที่เดินช้อปปิ้งเดินได้ทุกวันไม่เป็นไรนะ เดินจงกรมอย่าใจร้อนเดินดูกายมันทำงานเดินดูใจมันทำงานมัค่อยสงบผมงมันเองแหละต่อไปนมัสการค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาปีหนึ่งแล้วค่ะเห็นไหมว่าปีหนึ่งนี่ยเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมดูออกค่ะจิตใจมีความรู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้นเรานะเราไม่เหมือนเดิมนะใช้ได้ ต้องพัฒนายังไงอีกยังไม่พอต้องทําอีกใช่ค่ะยังไม่พอตัวเรายังอยู่ใช่ค่ะยังเห็นอยู่ค่ะเไม่ห้ามมันหรอกนะเห็นเรารู้ทันมันถ้าขันมันแยกนะมันจะไม่มีเราหรอกขันแม่งรวมมันเมื่อไหร่ก็มีเราขึ้นมาเราก็ไม่ได้จงใจแยกมันแยกเองรู้สึกไหมใช่ค่ะจงใจมันก็ไม่แยกใช่ค่ะเนี่เราถนัดทำปฏิบัติเราไปเรื่อยดูเล่นเล่นไปหนึ่งปีนี้ไม่คาทุนหรอก ถ้าให้ประเมินผลน่ผ่านไม่ทําอีกปีหน้ามาว่ากันใหม่มาส ก, การค่ะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปอย่างเงี้ยรู้เข้าไปรู้เข้าไปอ่ะลืมดูบ่อยๆค่ะลืมดูบ่อยๆลืมดูบ่อยๆหรือลืมดูนานเอออย่าให้นานนะเผลอได้แต่อย่าเผลอนานเผลอไปแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกดีที่สุดเลยเผลอบ่อยๆดี ทุครวที่เผลอแล้วรู้ก็ได้หนึ่งคะแนนวันหนึ่งเผลอครั้งเดียวก็ได้คะแนนเดียวแล้วก็รู้แล้วว่าเผลอก็ได้หนึ่งคะแนนเท่นั้นส่วนใหญ่ของคนที่ไม่พอนาเผลอว่าละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอครั้งเดียวคือไม่เคยรู้สึกเลยไม่ได้สักคะแนน <oz. S 1> แต่พอเราพอนาเก่งนะจิตเคลื่อนปรับรู้เคลื่อนปรับรู้เห็นเลเผ <c oughs> ลอ <Matth ias. S 1> แล้วรู้เผลอแล้วรู้ได้แต้มเยอะเลยขยันทํากันบ้านมันก็เก่งเร็วก็เท่านั้นเอง ให้ทำมันนะออกระจายน้อยกว่าเมื่อวานดูที่ใจให้รู้ทันมันข่มใจไว้หรือเปล่าขณะนี้ตอนนี้ข่มอยู่ครับเออให้รู้ทันอย่าไปข่มมันรู้มันอย่างที่มันเป็นอตรงที่ว่ารู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยนะฟังแล้วง่ายนะแต่ทำยากที่สุดเลย ทำเมื่อไหร่ผิดทุกทีเลยต้องรู้ถ้าไม่ไปทำก็ผิดเลยบางทีก็รู้สึกว่าภาวนาง่ายมากเลยครับอืแต่บางทีก็รู้สึกว่ามันเสื่อมไปเพราะว่ามันห่างเหนินการภาวนาไปครับมันยุ่งกับโลกเยอะไปงั้นต่อไปนี้ต้องมีวินัยนะครับทําทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เจริญมันเคยเจริญมาแล้วละไม่เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อบวชเรืองอย่งอยู่เมืองกานนะ ชาวธรรมสการเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเจ้าค่ะขอเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชีย้นําในการดําเนินเราเราก็ดูใจของเราไปใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดียเเด๋ยวก็กัวกงวลเลยนะดูเขาเปลี่ยนไปดูเขาทางานไปไม่ดีก็ได้แต่ไม่มันเสื่อมไปรู้ะไม่ต้องดีตลอดนะห้ามดีตลอดน ะ, ะ อ, อต้องดีบ้างร้ายบ้าง นี่เป็นคำสอนที่แปลกไหม <c oughs> <S <S> ส่วนว่าเ้าต้องดีตลอดเวลาอุยไม่มีใครทำได้หรอกมันผิดธรรมชาติไม่ใช่พระลหันนี่เนะาะดีบ้างร้ายบ้างไปดูเห็นก <c oughs> ิเลสตัวไหนบ่อยความโทสะเจ้าค่ะเออนะให้ดูไปอย่างใจกลางวลนนี่ก็โทสานะตระกูลโทสะให้รู้เอาเปฝึกต่อที่ใช้ที่ทำมาใช้ได้ การนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งแปดเดือนแล้วแล้วก็มันดูเวทนาแล้วทีนี้ว่ามันไปเห็นความกลัวที่เรากลัวตายเยอะค่ะโอ้ดีแล้วก็คือมันก็ยังยึดพุโทโธอยู่เออเขาไม่เห็นจะเป็นไรเลยยึดพุโทโธแต่เวลามันกลัวแล้วมันเหวี่ยงเยอะจนเรามีความรู้สึกมันเหมือนมีความรอยลอยอย่าไป<อ>ต้านา ม, มันตัวตนอย่าไปต้านความกลัวนะดูมันดูคนอื่นกลัว อุ้ยใหญคนนี้มันกําลังกลัวอยู่ดูอย่างเนี้ยนะไอ้กลัวนะั้นไม่ใช่ใจเรานะมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาดูเหมือนดูคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นกลัวเราไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าเป็นเรากลัวเราก็เดือดร้อนแหะที่ฝึกนาะดีแล้วล่ะนะไปทําต่อไม่ได้มีปัญหาเลยเ อ, อ้าวคนโน้นกราบนมัสการครับอก็ห่างไปเกือบ11เดือนครับ ก็จะอ่อนสมาธิครับแล้วก็คู่กับโลกการเกิดดับก็ไม่เห็นมันมีอยู่ช่วงที่ผมไปจำศีนอยู่หกเดือนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบกินข้าวไหมตอนนั้นน่ะกินครับเหมือนอย่างกบจำศีนเนอะนี้นมันไม่กินอะไรหรอกก็ปฏิบัติคล้ายกับพระครับก็คือฉันมือเดียวเหมือนกันแล้วก็มีช่วงที่ผมนอนแล้วผมฝันไปครับฝันเกี่ยวกับ ราคาแล้วระดับมันเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราจะพีคสุดแล้วครับเอแล้วทันใดนั้นมันเหมือนมีสติอัตโนมัติมาต<อ>ังครับต้องเห็นนั้นแหละแล้วระดับนั้นมันก็ลดลงเหมือนเรารู้สึกเหมือนน้ามันลดลงครับอยู่วับลงครับทีเ่เด่นๆภายในรอบปีก็ประมาณนี้ครับที่เด่นในรอบปีไม่ใช่อันนี้หรอกที่เด่นในรอบปีนี้ก็คือเรารู้สึกตัวได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเป็นแค่อาการเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละนะ การที่เราฝึกจิตฝึกใจเป็นธรรมชาติมากขึ้นใจเป็นผู้รู้มากขึ้นขันเป็นแยกได้ น, นั่นแหละดีแล้วส ค, ความเจริญมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไปเห็นจุดเดียวหรอกนะรนั่นแค่ปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกร <laughs> กลับมบบาสัปาการพระอาจารย์ค่ะมเมื่อปีที่แล้วได้ส่งกันบ้านอานะจารย์ครั้งหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์บอกว่าก็ดีกว่าเมื่อก่อน แต่ยังมีความรู้สึกว่ามันช้าอยู่อยากให้พระอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมอะไรช้าล่ะมันมันมันไม่ได้รู้สึกตลอดนะคะพระอาจารย์ห้ามห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิของเราจะรู้ได้ตลอดเวลานะรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ารู้ตลอดถ้ารู้ตลอดเนี่ยเพ่งแน่นอนเลยเมันเราไม่เพ่งแต่เดิมติดเพ่งป่าก็มีเป็นบางช่วงอยไปเพ่งเหมือนนะถ้รู้ไปสบาย รู้ไปด้วยใจที่ปร่งโปรงสบายสบายดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ยังรู้สึกว่ามันช้าอยู่เลยให้รู้ทันอย่างหนึ่งนะใจม็นโลภมันอยากเอาเร็วให้รู้ตรงนี้เลยจิเลสอะไรเกิดรู้ลงเฉพาะหน้าเลยน ะ, ะอยากเร็วรู้ว่าอยากเนี่ยดูลงปัจจุบันไปนะแท่นี้เร็วที่สุดละที่จะเร็วได้ ค, ความดื้อของจิตแต่ละดวงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันหรอกบางคนไปดูของจริงนีดนี้หน่อยน่อยก็ยอมรับนะบางคนมันดื้อมาก ก็ใช้เวลามากหน่อย <Okay. S 1> เราสั่งมันไม่ได้หรอกห้ามมันไม่ได้หรอก <Okay. S 1> ดูลงปัจจุบันไปที่ฝึกมาใช้ได้อยู่กับนักสกษาหลวงพ่อครับมาจากขอนแก่นครับก็มาส่งการบ้านในรอบหเดือนครับก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวที่ว่าจิตมันไปควาหาอารมณ์แล้วก็จิตไม่ถึงฐานนะครั บ, รบให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเดี๋ยวมันถึงเอง และที่มีมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับเพื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมจะมีเวลาบ้างอยู่ประมาณสักเดือนกว่าคิดว่าจะไปบวชที่ชัยภูมิอ่ะครับขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับเจะบวชหรือจะไม่บวชไม่สําคัญหรอกมีสติอยู่ตลอดเวลานะสติอยู่บ่อยที่สุดเท่า้การบวชมันแค่การเปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นเองครับเปลี่ยนข้อวัดปฏิบัติอย่าหวังนะว่าบวชแล้วจะดีครับถ้าหวังแล้วก็ไม่ได้ดีหรอก บวชก็ถือว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคแค่นั้นแหละคิดแค่นั้นพอแล้วไม่ดูคนอื่นดูตัวเองในวัดนั่นแหะเสือสีก็ทิ้งแรกเดียวนะแต่ละวัดอะ่ะครับเ อ, อแล้วเราดูของเราอย่าไปดูคนอื่นดูคนอื่นเราคลุ่มใจครับไปทําเอาใช้ได้น ะ, จะเจริญก้าวหน้าอยู่ครับนมาสักการะครั บ, รบเอาเชิญกลับบ้าน